<66. S 2> <66. S 1> บุ๊กทูหกสหสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งผมของผม ผมหากุญแจของผมไม่พบ я не ิซนาฮุดจูสวัยฮุคลผมหาตัวรถของผมไม่พบ я не ิซนาฮุดจูสวัยฮุบคุณของคุณ ты твой you คุณหากุญแจของคุณเจอไหมทีซนช คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมเขาของเอข า, ขขายนูนย ا คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนคุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน เธอของเธอยานยเยเงินของเธอหายยเยและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยอยีครดิตนา์กะักซประภเราของเรา My, คุณปู่คุณตาของเราไม่สบายคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีคุณหนูของหนูเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน